ข้ะสารไปดูเองเป็นเงนิ้มากดีมีแต่คนเก่าๆสี่ไม่รู้เรื่องเลยนะสอนยากมีคนใหม่ๆไม่รู้เรื่องยี่สิบคนเนี้ยดี หลวงพ่อถามอาจารย์ประสานว่าคอร์สเป็นไงครับมีคนใหม่ๆที่ยังไม่รู้เรื่องยี่สิบคนดีแล <c oughs> ้วหลวงพ่อเบื่อพวกคนเก่าที่ไม่รู้เรื่อง <c oughs> เรียนอีท่าไหนไม่รู้อะไรสักทีที่จริงถ้าลงมือทําเลยนะมันเกิเรียนถูกเรียนถูกเรียนผิดไปเรื่อยเจออะไรเรียนผิดเรียนถูก ไม่ทำฟังอย่างเดียวนะมันไม่มีวันรู้เรื่องนะธรรมะเข้าใจไม่ได้ด้วยการฟังเข้าใจได้วิธีเดียวคนะือลงมือปฏิบัติไม่ต้องกลัวผิดหนระฟังพื้นฐานที่หลวงพ่อสอนแล้วนะบอกให้รู้สึกตัวดูกายดูใจมันทำงานไปอะไรเงี้ยคอยสังเกตโดยเฉพาการสังเกตใจตัวเอง เรื่องง่ายง่ายกว่าดูกายคนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าดูกายง่ายแล้วกายมันหยาบหยาบเนีย่ยดูง่ายการดูร่างกายแล้วมันไม่เห็นถึงความเป็นธาตุของกายเป็นวัตถุธาตุเรื่องยังไม่เห็นกายจริงยังเห็นร่างกายเห็นแขนเห็นแขนเห็นนิ้ว แขนเลยนิ้วเป็นเรื่องบัญญัติตัวจริงของรูปเป็นวัตถุใช่ไหมเป็นธาตุดินน้ําไฟลมอะไรเงี้ยแล้วดูให้เห็นถึงตัวธาตุเห็นนิ้วก็เริ่มเปรียบเทียบแล้วนิ้วเรานิ้วเขานิ้วเราทำไมไม่สวยทู่ๆนิ้วเขาสวยอะไรเงี้ยหรือแขนเราทาไมดูไม่ได้แขนเขาดูดีเลยไปหลงบัญญัติ แ็นดูกายเนี่ยจะให้ทะลุไปเห็นปรมัติเนี่ยเห็นรูปนามหเห็นตัวรูปธรรม ท, ที่ประกอบกันเหตนกายไม่ใช่ง่ายเราจับผมสิจับผมรู้สึกไหมผมเรารู้สึกไหมว่าเป็นธาตุสีไม่รู้สึกเนี่ยผมเราลรอวะผมเพราะจับไม่ติดอะ นั้นดูกายนะ่อจะทะลุคาว่ากายเข้าไปแล้วไปเห็นตัวรูปเนี่ยไม่ใช่ง่ายจิตไม่ทรงสมาธิจริงไม่เห็นหรอกใครจะไปเห็นรูปอย่างรูปที่ประกอบันเป็นกายเราเนี่ยมันเป็นตัวรูปเนี่ยมันจะทำงานรวมกันเป็นกลุก่ม อย่างในเส้นผมนะี่ก็มีกลุ่มของรูปจานวนมากอนะใครจะแยกออกกลุ่มของรูปที่ประกอบกันเป็นเส้นผมนะมีธาตุดินน้ำไฟลมนี่เป็นตัวรูปนะมีช่องว่างที่รูปเข้าไปอยู่นะแล้วก็มีสีมีกลิ่นนะตัวสีตัวกลิ่นก็เป็นรูป นี่จะมาดูผมหนึ่งเส้นให้กระจายรูปออกมาเจ็ดรูปหนึ่งไม่ใช่ดูง่ายไม่สง c า a ถูกไม่ได้จริงเงินเวลาเขาเรียนรู้รูปนึ่นเขาไม่เรียนรู้รูปตัวจริงหอกเเรียนรู้รูปข้างเคียงเช่นรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนเรีกวินยติรูป ไม่ใช่รูปแท้ไม่ใช่รูปแท้้ตัวอะไรเดินก็ธาตุดินน้ำไฟลมป็นเดินนั่นถึงจะเห็นตัวรูปจริงรูปหายใจออกรูปหายใจเข้าอะไรเนียดูรูปที่เคลื่อนไหวดูทั้งกลุ่มมันไม่แตกกระจายออกไปเห็นตัวประมั์จริงน่นดูรูปไม่ใช่เรื่องเล็ก ดูยากเวทนาเวทนาเกิดที่กายที่ใจเป็นนามธรรมนามธรรมนี่มีความดีอยู่อย่างหนึ่งไม่ซับซ้อนตรงไปตรงมารูปนี่คอมพล็กนะรวมกันอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนดูยางแต่นามธรรมนี่รู้จักความสุขไหม รู้จักความทุกข์ไหมมันไม่ดิน้นความสุขความทุกอยู่ที่ร่างกายก็มีเห็นไหมความสุขความทุกอยู่ที่ใจก็มีหรือรลภโกรดหลงนี่มันไม่ดิน้นรู้จักรอบไหมรู้จักโกรธไหมรู้จักหลงไหมรู้จักฟุ้งซ่านหดหูเบือ่อเซงขี้เกียจอิจฉา เนยนนามธรรมทั้งหลายนะนมามธรรมทั้งหลายนะมันไม่มีอะไรซับซ้อนมันตรงไปตรงมาไงคนชอบคิดว่าดูรูปง่ายดูด้วยตาดูด้วยตาที่จริงแล้วตาเห็นรูปชนิดเดียวในยี่สิบแปดชนิดคือเห็นสีเท่านั้นเอง ดูรูปด้วยตาเพาเห็นแต่สีรู้รูปด้วยหูก็มีอีกรูปหนึ่งเสียงรู้ด้วยจมูกกพรู้รูปที่เป็นกลิ่รู้รสอีกรูปอีกชนิดหนึ่งรู้ด้วยลิ้นมีรูปอีกสามชนิดรู้ด้วยร่างกายใช้ร่างกายสัมผัสอย่างความเย็นความร้อน เอาร่างกายสัมผัสความเย็นความร้อนเอาใจสัมผัสได้ไหมอย่างเราอยากดูว่าน้ำนี่ร้อนหรือไม่ร้อนอยู่ในกติกเนี้ยเอาใจสัมผัสไม่รูเ้เอาร่างกายสัมผัสงั้นธาตุไฟธาตุไฟเนี่ยธาตุไฟมากก็ร้อนธาตุไฟน้อยมันก็ไม่ร้อนรู้ด้วยร่างกายธาตุลม ที่มันมากระทบรู้ได้กายลมมากระทบรู้ด้วยใจได้ไหมอยู่ในห้องปิดมิดชิดเลยส่งใจไปแตะลมว่มาข้างนอกลมแรงไหมเนยทำไม่ได้รู้ด้วยร่างกายธาตุดินธาตุลมธาตุไฟธาตุดินความแข็งความอ่อน อยากรู้ว่าโตนี้แข็งหรือไม่แข็งรู้ด้วยใจได้ไหมรู้ไม่ได้รู้ด้วยการกระทบสัมผัสรู้ด้วยตาได้ไหมรู้ด้วยตาก็ไม่ได้เพราะตาเห็นแต่สีตาไม่รู้ปวามอ่อนความแข็งนี่มันมีรูปอยู่ไม่กี่อย่างนะรูปเสียงกลิ่นรสรูปเสียงกลิ่นรสที่สี่มั้ไหมแล้วก็ธาตุอีกสามตัวธาตุดินธะาตุ ไปธาตุลมอันนี้รู้ด้วยร่างกายรู้ด้ร่างกายรู้ได้ตาหูจมูกลิน้นกายรูปที่เหลือทั้งหมดรู้ด้วยใจหลับตาซิหลับตาแล้วลองยกมือรู้ไหมเนี่ยรูปที่เคลื่อนไปนรู้ด้วยใจ งั้นเวลาที่เราทำกรรมฐานเนี่ยเรารู้รูปแท้ๆเนี่ยรู้ไม่ออกดูไม่ออกรูปแท้ๆดูยากนะรูปที่รู้ด้วยใจยังดูง่ายกว่ารู้สึก ง, ง่ายกว่าแต่ในตำราเขาบอกว่ารูปบางอย่างเอาไปทำวิปัสสนามไม่ได้นี่ตำราว่านะตำราว่าในทางปฏิบัติจริงลองไปดูเลยว่าจะได้ไม่ได้ ถ้าเรารู้สึกว่าตัวนี้ทั้งตัวเนี่ยมันไม่ใช่เรามันจะเหลือรูปอะไรที่ไม่ใช่เรามันไม่เหลือแนละ้วถ้าเรารู้สึกไอ้ตัวนี้ทั้งตัวไม่ใช่เรานะรูปทุกชนิดมันก็ไม่เป็นเราลนะปริยัตรเราก็ารักษาไว้นะเรียนรู้ไว้ปริยัาตรบางส่วนเป็นของพระพุทธเจ้าบางส่วนเป็นของพระสารีบุตรบางส่วน ที่พระรุ่นหลังแต่งขึ้นมาต้องแยกให้ออกอย่างเรื่องยานสิบหกยานสิบหกไม่ได้อยู่ในพระไตรปิฎกนะเกิดขึ้นทีหลังในพระไตรปิฎกพูดถึงย า, น ห, า, ยยา น, น, นหลายสิบยานมีทั้งหลายสิบยานไม่ใช่มีสิบหกในพระไตรปิฎกเนี่ยการแบ่งขั้นตอนของการปฏิบัติเนี่ย ไม่แบ่งด้วยยานสิบหกแต่แบ่งด้วยวิสุทธิเจ็ดวิสุทธิเจ็ดนั้นอยู่ในพระไตรปิฎกรุ่นหลังถ้ามาขยายออกมาเป็นยานสิบหกเข้ามาเรียนอย่างนี้ยุ่งใตรเนะเรารู้จักจะของจริงง่ายกว่ารู้สึกไหมรูปนี้นั่งอยู่รู้สึกไหมรูปนี้นอนอยู่ถ้าใจสามารถแยกตัวออกมาเป็นคนดูได้นะ มันจะเห็นรูปทั้งหมดเลยไม่ใช่ตัวเราการจะเห็นรูปไม่ใช่เราเนี่ยเป็นของง่ายที่สุดเลยนะเห็นรูปไม่ใช่ตัวเราเป็นของง่ายแต่การเห็นรูปแท้ๆยากนะที่บอกแนละ้วจะดูตรงผมเส้นหนึ่งมีธาตุตั้งหลายธาตุเนี่ยดูยากแอย่างเราดูความเป็นกลุ่มเป็นก้อนของมันเนี่ยทั้งตัวเนี่ยรู้สึกไหยรูปนี้หายใจออกรูปนี้หายใจเข้า ถ้าใจเรารู้สึกว่ารูปที่หายใจออกไม่ใช่เรารูปที่หายใจเข้าไม่ใช่เรามันจะไม่เหลือรูปที่เป็นเราอีกแล้วเพราะทั้งวันมีแต่รูปที่หายใจออกกับหายใจเข้าหรือเราเห็นรูปยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่เรานะทั้งวันมันก็มีอยู่แค่นี้่างเดินนั่งนอนยิยาบทพิเศษเช่นว่ายน้ากระโดดอะไรเงี้ยนะมันมีไม่มากส่วนใหญ่เราก็ยืนเดินนั่งนอนเห็นรูปยืนก็ไม่ใช่เรา รูปเดินรูปนั่งรูปนอนไม่ใช่เรารูปทั้งหมดที่ไม่เป็นเราไม่ต้องแยกถึงขนาดยี่สิบปดรูปดูมันทั้งกลุ่มทั้งก้อนเนี่ยเพราะรูปมันทำงานจริงๆเมื่อทำงานเป็นกลุ่มเป็นก้อน อ, อย่างน้อยทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยอย่างน้อยเจ็ดรูปอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มๆเรียกว่ากราบกราบป ะ, ะ, ะเร็นอย่างนิยาาดูอย่างของจริง รู้สึกไหมตัวอะไรมันหายใจไอตัวที่หายใจมันบอกไหมว่าเป็นตัวเรามันไม่ได้บอกเลยว่ามันเป็นตัวเราเราจับแขนซิตัวอะไรแข็งๆเนี่ยบางที่ก็นิ่มๆบางที่ก็แข็งๆแขนมันบอกไหมว่ามันเป็นเรารูปมันไม่คิดนะรูปมันไม่มีเราอยู่แล้วละมันเป็นเราเพราะใจเข้าไปสำคัญมั่นหมาย งั้นตัวหัวโจกที่สร้างปัญหาสร้างความหลงผิดนะคือจิตนี่ไม่ใช่รูปรูปนี้ซื่อตรงรูปนี้ซื่อๆไม่มีอะไรหรอกแต่จิตที่ไปคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยนะมันไปบอกว่านี่รูปของเรามันไปหมายรูผ้ผิดิๆว่าร่างกายนี้เป็นตัวของเรานี่นี่แขนเรานี่ขาเรามีอยู่ที่ใจหลงผิด นันที่เรามาเรียกนกรรมาฐานกันให้เป็นแค่ตายนะเพื่อให้ใจเกิดความรู้ถูกเข้าใจถูกถ้าใจเรารู้ถูกใจเราเข้าใจถูกมันจะรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นวัตถุธาตนะุเรายืมโลกมาใช้เริ่มแต่ยืมธาตุของพ่อของแม่ม า, าคนละึงเซลลนะ์มารวมกันปฏิสนธิขึ้นมาอาศัยอาหารอาศัยน้อาศัยอากาศเป็นสมบัติในโลก ามาหลอเลี้ยงนี่มันตัวใหญ่ขึ้นมาโตขึ้นมาขนาดนี้ถึงวันหนึ่งมันก็แตกสลายมันก็คืนโลกไปธาตุก็คืนสู่ความเป็นธาตุตามเดิมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ละอย่างทันทีที่ตายเรียกคนไหมตัวที่นอนอยู่เรียกคนไม้มตายแล้วไม่เรียกเรียกศพแล้วเห็นไหมเปลี่ยนสถานะ เสียความเป็นคนไปแล้วนเพราะฉะนั้นคนนี่เป็นของหลอกๆอยู่ชั่วคราวนะที่จริงเป็นวัตถุเป็นต้อนธาตุเรามาปฏิบัติธรรมนะเพื่อให้เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเรารู้ถูกเข้าใจถูกว่าร่างกายนี้เป็นแค่วัตถุธาตุที่เรายืมโลกมาใช้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้ามันรู้ถูกเข้าใจถูกอย่างนี้นะเป็นภูมิธรรมระดับผ้านาคานะ พระนาคานี่จะคืนกาให้โลกได้ไก่จิตเจริสลัดกายคืนให้โลกไปของเราจิตเข้าไปตะครุบนี่แขนเรานี่นิ้วเรานี่มือเรานะจิตเข้าไปยึดนั่นรบรมจิตใจไปเรื่อยพระอนาคานี่สติปัญญาท่านแก่กล้าขึ้มานี่ว่ามีปัญญาระดับกลางถ้ารู้ความจริงแล้วร่างกายนี่ เป็นวัตถุธาตุเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ของดีของวิเศษอะไรเลยนี่ภูมิธรรมของพระนาคามีเห็นอเนี่ยของเรายังเห็นไม่ได้เรารู้สึกไหมร่างกายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างรู้สึกไหมบางคนก็รู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างบางคนรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างยังเด็กๆอยู่ยังแข็งแรงอยู่ก็รู้สึกเป็นสุขมากเป็นทุกข์น้อย แก่ขึ้นมานะั้นรู้สึกว่าเป็นทุกข์มากเป็นสุขน้อยแต่ถ้าปัญญาแก่กล้าอย่างบางองค์เป็นพระอรหันต์ไั้แต่เจ็ดขวบปัญญาท่านแก่กล้าท่านรู้ร่างกายนี้เป็นทุกขนะ์จิตที่เป็นตัวทุกข์นีท่านรู้ถึงขนาดนั้นท่านวางร่างกายวางทั้งจิตเป็นทุกข์ตามพระอรหันต์วางทั้งรูปนามไม่ไม่ยึดถืออะไรอีกละ เงื่อนที่เรามาปฏิบัติทำกันแทบเป็นแทบตายเนี่ยเพื่อให้จิตใจเกิดความรู้ถูกเกิดความเข้าใจถูกในเรื่องของรูปนามเรื่องของกายของใจนะถ้าเรารู้ความจริงของรูปจิตชื่อจะวางรูปถ้ารู้ความจริงของนมามธรรมจิตื่อจะวางนมามธรรมสิ่งที่ประกอบกันเป็นตัวเรามีแต่รูปธรรมกับ น, นมามธรรมเท่านั้นแหละถ้ารู้ความจริงของรูปรูปนี้ไม่ใช่ตัวเรานะ จิตก็ไม่ใช่ตัวเราจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เราเรียกคาว่าจิตคำว่าจิตเราวาดภาพจิตเอาไว้วิจิตบรรจงเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นดวง ก, กลมๆจิตที่เรียกว่าเป็นดวงดวงดวงดวงเป็นลักษณะนามนะจิตไม่มีดวงหรอกถ้าจิตไม่มีรูปร่างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มีรูปร่างไหมมีใช่ไหมมันถึงเป็นดวงดวง จิตไม่มีรูปร่างจิตไม่ใช่รูปจิตเปน็นนามธรรมนม้ถ้าจะพูดถึงจิตให้ตรงไปตรงมาที่สุดนะแต่สะเทือนใจที่สุดเลยก็คือจิตก็คือความรับรู้เท่านั้นเองนะความรับรู้มีดวงหมไม่มีความรับรู้ไม่มีดวงแต่มีอยู่ไ้ยความรับรู้ในตัวเรามีความรับรู้ไม่มมีใช่ไหมความรับรู้เป็นคนัหม ความรับรู้ไม่ใช่คนใ네ช่ไมความรับรู้เป็นสัตว์หรเปล่าเป็นแมวเป็นหมาไหมความรับรู้ในหมามีความรับรู้ไหมหมาก็มีความรับรู้แต่ความรับรู้ไม่ใช่หมาในตัวเราในความเป็นคนเนี้มีความรับรู้อยู่แต่ความรับรู้ไม่ใช่คนเนี่เราค่อยๆดูเข้าไปนะจริงๆแล้วจิตก็คือตัวความรับรู้เท่านั้นเองไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะ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 ตามความเป็นจริงได้ถึงเห็นกายตามความเป็นจริงได้เพราะฉะนั้นจิตจะต้องตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าไม่เป็นกลางก็เรียกว่าจิตจะเข้าไปแทรกแซงรูปนามที er ่จิตไปรู้เข้าเราเราจะไม่แทรกแซงเราจะรู้รูปอย่างที่รูปเป็นรู้นามอย่างที่นามเป็นนี่รู้อย่างนี้เรื่อยเรไปสุดท้ายปัญยาจะเกิดจยรู้ว่ารูปนี้ไม่ใช่ตัวเรานามก็ไม่ใช่ตัวเราตัวจิตนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่ความรับรู้อารมณ์เท่านั้นเอง เป็นความรับรู้อารมณ์สิ่งที่เรียกว่าอารมณ์ไม่ใช่อ m โมชันนะอารมณ์ตรงนี้ตรงกับคำว่าอ็อบเจกต์คือสิ่งที่ถูกรู้เป็นสั์เฉพาะในพุทธศาสนาคนไทยยืมสั์เฉพาะในพุทธศาสนามาใช้จำนวนมากนะแล้วความหมายคลาดเคลื่อนอย่างอารมณ์นี่หมายถึงสิ่งที่ถูกรู้ของเราอารมณ์หมายถึงความรู้สึก อารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอารมณ์โลภโกรธหลงอะนั้นเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งนามธรรมก็เป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งรูปธรรมก็เป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งจิตก็เป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งเหมือนกันคือมีจิตอีกตัวหนึ่งไปรู้การทํางานของจิตนิพพานก็เป็นอารมณ์เรื่องราวที่คิดก็เป็นอารมณ์เรื่องราวที่คิดเป็นอารมณ์เรียกอารมณ์ัตยัดนี่เราหยืบสัพ์ ของพระมาใช้นะเราใช้เพียนเพียนเนยอะเลยอย่างคำว่ามานะเนี่ยมีคนชื่อมานะนั่สมัยก่อนมามีมานะใครเคยเรียนไหยมานีมานะสนุกสนุกเราเรียนบางคนชื่อนะมานะเมื่อก่อนอยู่เมืองกาลมีพระองค์หนึ่งชื่อมานะเราแยบคําเลยถ้าเราเป็นท่านแล้วเราเปลี่ยนชื่อแล้วมานะเป็นชื่อของกิเลสกิเลสเทียบเขาเทียบเรา อย่างหลวงพ่อให้แม่ชีนะให้กันบ้านแม่ชีบอกให้แม่ชีไปดูมานะให้ดูโกรธดูโลภดูอะไรเงี้ยไม่ค่อยจะเห็นล้ไม่ไม่ปรากฏะมาไปดูมานะแล้มาส่งกันบ้านแม่ชีมาส่งกันบ้านนะว่ารู้จักมานะแนละ้วมานะเนี่ยไม่ใช่แค่เทียบเขาเทียบ เ, าเร า, า, เ, า, เ, า, า, เ, ราเราดีกว่าเขาเขาดีกว่าเราเรากับเขาเท่ากันนี่มานะเชิงปริยัติ เทียบเขาเทียบเรามาหน้าที่แม่ชีเห็นก็คือจิตนี้ได้สร้างขอบเขตสร้างกำแพงขึ้นอันหนึ่งแล้วขีดวงกำแพงนี้ไว้พอมีขีดวงกำแพงนี้ไว้ก็มีสิ่งที่อยู่นอกกำแพงมันเกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาแลระหว่างของสองสิ่งนี้นี่แม่ชีเห็นได้ลึกซึ้งถึงขนาดว่ามันเกิดขึ้นยังไงนะ มันเกิดขึ้นได้ไงพวกเรารู้สึกไหมเรามีขอบเขตมีขอบเขตมีกำแพงของตัวเองอยู่รู้สึกไหมใครล่วงล้ำกำแพงนี้เอาตายเลยชนไม่ได้อย่างบางคนมันเดินเข้าใกล้เราเ น, นี้ยกำแพงของมันมาชนกำแพงกับเรานะเราไม่ชอบและ้วล่ะบางคนเข้าใกล้เราเราอึดอัดรู้สึกไหมแต่ถ้าคนที่เราชอบเนี่ยเราอยากลากเข้ามาอยู่ในกำแพงของเรานะนึกออกไหมเราไม่ยอมให้มันไปไหนละ ขังมันไว้อยู่ในเนี้ยนเนี่ยเรามีกำแพงอันหนึ่งสร้างขึ้นมานะแล้วมันจะรู้สึกว่านี่นี่อันนี้ของเรานะอันนี่ไม่ใช่ของเรานะมันเทียบกันขึ้นมาเลยเกิดว่าเรากับเขาะเราดีกว่าเขาเขาดีกว่าเราเรากับเขาเท่าๆกันนีนะี่ไอ้นี่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราขีดวงกำแพงนี้แล้วเพราะฉะนั้นอย่างพระนาคามีนะยังมีวง กำแพงนี้อยู่ดงั้นพระนาคามีจะรู้สึกว่าจิตยังมีขอบเขตอยู่จิตยังมีขอบเขตอยู่จิตของเราก็มีขอบเขตมีกำแพงขังจิตอยู่แต่พระอรหันต์เนี่ยไม่มีกำแพงอันนี้แล้วเพราะฉะนั้นจิตพระอ ร, รหนันต์นะไม่มีขอบเขตมานาก็ไม่มีเขาไม่มีกำแพงอันนี้ซะแล้วนี่แม่ชีส่งกันบ้านน่าฟังไหมเงี่ยอย่างเวลาปริยัติกับปฏิบัติ นะปริยัติส่งกันบ้านเราฟังแล้วเจือจืดจืดสนิทนะประเทศเจียวไข่ไม่ได้ใส่น้ําปลาอะไรนันนะจืดสนิทเลยแต่เวลาฝ่ายปฏิบัติส่งกันบ้านนะ้ำแข็งมันสับใจสับใจไม่เฉพาะหลวงพ่อนะหลวอุเทศอย่างนี้เลยนะหลวงพ่อส่งกันบ้านท่านอีกนิดเลยนะ ท, นท่านชอบนะท่านชอบ เพราะว่าเวลาภาค ป, ปฏิบัติคุยกันเนี่ยมันถึงใจมันสใจเนี่ยเราค่อยๆสังเกตไปอกิเลสแต่ละตัวนะมันไม่ซับซ้อนนำมาทำแต่ละตัวเนี่ยไม่มีความซับซ้อ น, นโลกก็คือโลกโลกรธก็คือโกรธหลงก็คือหลงปุ้งสร้างโดผูกอิจฉาดีใจเสียใจอะไรเนี่ยหรือมีความสุขมีความทุกข์อะไรเงี้ยไม่มีอะไรซับซ้อนเรียนรู้มันก็ไป เรียนเวลาเรียนรูปกายแน่รู้มันทั้งตัวเลยไปรู้รูปทีละรูปนะไม่มีปัญญาเรียนมันมีแต่ภาพปฏิยัติลงมือปฏิบัติแล้วคลำไม่ถูกเลยรูปแต่ละรูปยกตัวอย่างนะบางคนตาเห็นรูปแล้วคอยรู้สึกนี่รูปตรงที่ตาเห็นรูปแล้วรู้สึกว่านี่รูปเน่จิตทำงาน้งอีกเป็นสิบพันแล้ว จิตทํางานไปอีกตั้งเยอะแล้วกว่าจะสรุปออกมาเนี่เป็นรูปนี่เป็นสีที่ตาเห็นกว่าจะคิดตัวนี้ออกมาเนี่ยนะจิตทํางานไปตั้งเยอะแล้วนะไม่ได้เป็นปัจจุบันในการรู้รูปนั้นจริงกนะว่าจะรู้ว่านี้รูปนะคิดตั้งเยอะนะีฟังเสียงฟังเสียงแล้วมันกระเทือนเข้าถึงใจเสียงบางอย่างเราฟังแล้วเรารู้สึกชอบใช่ไหม บางอย่างฟังแล้วลำคาญเสียงะระกคังเนี้ยนะเสียงะระกคังบางลูกนะฟังแล้วแมมมันนุ่มนวลนะเห็นลูกนี้พราะนะเสียงนุ่มนวลเขาก่อนนะมีงานสถาพนาสมเด็จพระสันตราชานนะหลวงพ่อรุนมากเลยเราก็ไม่มีโทรทัศน์นะเลยอยากจะฟังเสียงะระกคังวัดพระแก้วสักที เ, เพราะว่าเคราะหนักนะดีไปโรงพยาบาลได้ยินชอ หายทอดแกงแกงแกงเพราะว่อเนี่ยแกงแกงอะไรเงี้นะเสียงใสแต่เสียงอย่างนี้ไม่ถูกใจถูกหูอย่างเดียวอย่างเงี้ยงั้นเพราะไม่เพราะเนี้ยไม่ใช่ของจริงนะอันนี้ไม่ใช่ของจริงเพราะไม่พราะเนี่ยนะไม่ใช่ปรมาจิตแต่เสียงเป็นปรมาจสีที่กระทบหูจะดูรูปคือเสียง เห็นเสียงเกิดดับนั่งฟังดุงมากัดอกคันอีกละลืมฟังอีกล้ะเนี่ยฟังเสียงจะรอฟังเสียงระฆังเดี๋ยวระฆังจะดังนล้วุงมาลองวิวิอยู่ที่หูอีกแล้วจะฟังระฆังนะโมโหแล้วไม่เห็นอีกแล้ะค่อยๆรู้สึกไปรูปก็ดูมันทั้งตัวนี้แหละนะ รูปนี้หายใจออกรูปนี้หายใจเข้ารูปนี้ยืนรูปนี้เดินรูปนี้นั่งรูปนี้นอนโดูอย่างนี้นะรูปนี้เคลื่อนไหวรูปนี้หยุดนิ่งตัวแบบนี้ได้ไหมดูแบบนี้ก็ได้ใครสอนเอาพุทธเจ้าสอนไม่ใช่หลวงพ่อสอนนะในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานอันที่หนึ่งชื่ออะไรบทบทที่หนึ่งชื่ออาณาปานสติบัพภะ รู้รูปที่หายใจออกรู้รูปที่หายใจเข้าที่ส่วนทั้งหลายให้ถึงฟู้งพลังตั้งกายตรงดํารงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้หายใจเข้ายาวรู้ง่ายๆ่ายเอยงนะนั่งอยู่แล้วกปเห็นรูปมันหายใจออกเห็นรูปมันหายใจเข้าท่านไม่ได้บอกให้ดูลมหายใจนะ ท่านบอกว่าที่สูจน์ทั้งหลายผู้พลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวไม่ได้บอกว่าให้รู้เฉพาะลมหายใจตำรารุ่นหลังนะพวกฤๅษีฤๅษีมาเขณฑ์ น, นะมันจะออกไปทางปัดแอะอะไรสมรถะจะออกไปทางสมถะรู้ลมกระทบจุดนั้นลมกระทบจุดนี้นะ อันนี้พุทธเจ้าไม่ได้สอนนะไม่เกิดในตำรารุ่นหลังแล้วพอเราไปรู้ที่ลมกระทบเนี่ยจิตเราจะเคลื่อนไปอยู่ที่ลมนะสมาธิที่เกิดขึ้นนะ่ะจะเป็นสมาธิที่เรียกว่าอาระมณูปนิชฌานจะเพ่งลงไปที่ตัวอรมปัญญาจะไม่เกิดในอาระมณูปนิชฌานนะแต่ถ้าใจตั้งมั่นฝึกใจให้ตั้งมั่นก่อนอย่างที่หลวงพ่อเคอยสอนนะจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้ น, นใจจะตั้งมั่น แล้วก็ใช้ใจที่ตั้งมั่นมาเห็นร่างกายหายใจไม่ต้องไปดูที่ตัวลมนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเนี่ยฝึกอย่างเนี้ยเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูอย่างการดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนเนี่ยเรียกว่าอิริยาบถอยู่ในอิริยาบถแบัพระในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าสอนไว้พระเจ้าสอนง่ายๆทิศส่วนทั้งหลายเมื่ อ, อยืนอยู่รู้ชัดว่ายืนอยู่ ยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่ไม่ได้ไปยืนอยู่แล้วรู้ว่าเท้ากระทบพื้นนะะหรือเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่เห็นรูปตัวเนี้ยทั้งตัวเนี้ยมันเดินะบางคนก็นี่ยไปดูอยู่ที่เท้าแนละ้วเท้ายกเท้าย่างเท้าเหยียบะบางคนเกินเท้าไปพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งไปเรียนเป็นทําไมที่พื้นมีใครเห็นพื้นเป็นตัวเราบ้างมีไหม ใครเห็นพื้นที่เรานั่งอยู่เนี่ยเป็นตัวเราบ้างมีไหมให้ปรึกษาจิตแพทย์ด่วนเลยนะบ้าแล้วนะคนปกติไม่เป็นหรอกนะงั้นเวลารู้รูปรู้มันทั้งตัวนี้แหละนะตัวนี้หายใจออกตัวนี้หายใจเข้าเนะี่ยเจริญสติปัฏฐานหมวดกายานุปัสสนาในบัพพะอนาปนสติอยู่ ถ้ารู้ว่าตัวนี้ยืนเดินนั่งนอนอยู่น ะ, ะนก็เจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะในในปัพพะอิริยาบท์ปัพพะหรือบางคนบอกว่ายืนเดินนั่งนอนมันหยาบไปเนี่ยตอนนั่งอยู่ยังก็ยุกยิกอยู่ตลอดเวลารู้สึกไหมนั่งแล้วมันเมื่อยง็ขยับไปขยับมานั่งแล้วมันคันกะเกาอย่างเงี้ยมันขยับอยู่ตลอดเวลาเรารู้รูปที่เคลื่อนไหวไม่ใช่รู้นิ้วนะ คันที่หัวและรู้อยู่ที่นิ้วใช่ไหมเนี้ยนะหายคันแล้วยังไม่ทันเดถึงเลยนะเลย อ, อย่างเนี้ยมันมันเว่อร์ไปนะรู้รูปที่เคลื่อนไหวรูปมันเคลื่อนไหวอยู่แล้วรูปอะไรตัวอะไรมันแยกเขี้ยวยิบอยู่เนี่ยนะเหมือนฝูงลิงฝูงลิงเวลาเจออะไรชอบใจแยกเขี้ยร้อร้องกันนะเนม่อนพวกเราฟังหลวงพ่อเทศแล้วแหมมันถูกใจมันแยกเขี้ยวรู้สึกไหม รูปมันเคลื่อนไหวแล้วรูปอะไรมันพยักหน้าตัวอะไรพยักหน้ารูปมันพยักหน้าใช่ไหมเนี่ยถ้าคอยดูอย่างนี้เรื่อยๆนะรูปมันหายใจรูปมันยืนเดินนั่งนอนรูปมันเคลื่อนไหวนะมันจะไม่รู้สึกว่าเราหายใจเรายืนเดินนั่งนอนนะเราเคลื่อนไหวมันจะไม่รู้สึกอย่านีน้มันจะถอดถอนความรู้สึกเป็นเราออกเพราใจเราเป็นคนดูอยู่นะเนี่ย hmm. ค่อยๆหัดดูอย่างนี้นะถ้าจะดูรูปก็ดูอย่างนี้ ถ้าดูนามนี่ ง, ง่ายใหญ่เลยความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้อย่างนั้นแหล ะ, ะความสุขเกิดก็รู้ว่ามีความสุขเกิดขึ้นความสุขหายไปก็รู้ว่าความสุขหายไปความทุกข์เกิดขึ้นรู้ว่าความทุกข์เกิดขึ้นความทุกข์หายไปรู้ว่าความทุกข์หายไปนี่เรียกว่าเจริญเวทนาโนปัสนสนสติปัฏฐา น, นไม่ใช่ดูรูปแล้วแต่ดูเวทนาหรือเราดูจิตที่เป็นกุศลอกุศล เราคี้โกรธเราก็เห็นจิตโกรธเกิดขึ้นเราก็รู้จิตโกรธหายไปเราก็รู้เดี๋ยวจิตก็โกรธเดี๋ยวจิตก็ไม่โกรธดูอย่างนี้ดูได้ทั้งวันทั้งวันมีแต่จิตโกรธกับจิตไม่โกรธคนไหนที่โลภก็ดูจิตโลภกับจิตไม่โลภเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็หายเนี่ยเฝ้ารู้อย่างนี้ไปนะสุดท้ายปัญญาจะเกิดจิตก็ไม่ใช่ตัวเรามันเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันบังคับไม่ได้สั่งไม่ได้ หรือจิตดีจิตช่วก็เหมือนกันอะไรก็เหมือนกันจิตสุขจิตทุกขจิตดีจิตช่วงแสดงใจรักเหมือนเหมือนกันทั้งนั้นจิตไปดูจิตไปฟังจิตไปคิดอันนี้ดูจิตมันทํางานทางอายตนะะจิตไปดูก็อยู่ชั่วคราวจิตไปฟังก็อยู่ช่วคราวจิตไปคิดก็อยู่ช่วคราววันนี้กลับบ้านเราไปดูโทรทัศน์ให้กันบ้าน ไปดูโทรทัศน์แล้วเราจะเห็นว่าเราดูโทรทัศน์เนี่ยเราคิดว่าตาเราดูหูเราฟังใจเราคิดร้อมๆกันไม่ใช่นะไปดูใหม่เวลาที่ตาดูหูไม่ได้ฟังเวลาที่หูฟังตาไม่ได้ดูเวลาที่ใจคิดยตาก็ไม่ได้ดูหูก็ไม่ได้ฟังนะนค่อยๆไปสังเกตดูเราจะเห็นว่าจิตนั่นเกิดดับอยู่ทางอายตนะตลอดเวลาตัวนี้ดูยากนิดหนึ่งถ้าจิตไม่ทรงสมาธิพอดูไม่เห็น มันดูของที่ง่ายกว่านั้นนะจิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วเนี่ยดูของอย่างนี้ของง่ายแต่ดูจิตที่เกิดดับทางอายตนะยากกว่ากันเยอะเลยนะควละชั้นกันอันนั้นมันอยู่ในธรรมานุปัสสนาละนะ <k urs> อยู่ในเรื่องอายตนะะอยู่ในธรรมานุปัสสนายากยั้นดูของที่ดูได้นะของที่ดูได้อย่างดูร่างกายทั้งตัวเนี่ย ร, ร่างกายหายใจออกหายใจเข้าร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกาย นะเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งเคยรู้สึกไปแล้วรู้สึกขึ้หมามันไม่ใช่เราหรอกมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้เป็นวัตถุดูนมามธรรมก็เห็นนะความสุขความทุกข์ความดีความชั่วทั้งหลายเกิดระดับทั้งสิ้นดูซ้ำซากอย่างเนี้เจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีดูจนจิตมันยอมรับความจริงมันจะรู้ว่ากายนี้ไม่ใช่เราจิตนี้ไม่ใช่เราถ้าเห็นตรงนี้เป็นพระโสดาบันเห็นอย่างตแท้กายนี้ไม่ใช่เราจิตนี้ไม่ใช่เรา แต่เห็นเจนกระทั่งล้างกิเลส น, นะไม่ใช่เห็นทีเดียวเราก็บอกว่าเป็นโสดาบัตบางคนมาส่งกันบ้านได้โสดาแล้วทำไมได้โสดาเมื่อวานน้นเห็นว่าจิตไม่มีตัวเราแล้ววันนี้มีไหมวันนี้มีโสดาบางเหงิกเาา น, กนี่ยปลุบปลุบปลุปลุบนะแมบหัวเตา่าเดี๋ยวก็โปลุหัวออกมาเดี๋วก็ปุบลงไปเวลาเต่าหัวเข้าก็ดองหัวยังอยู่ไหมแต่มองไม่เห็นใช่ไหมเหมือนกันแหละ ความเป็นตัวตนนั่นก็ซ่อนตัวอยู่เดี๋ยวก็ปลออกมาจนได้แหะถ้าเราไม่เชื่อซะก่อนว่าเป็นโซดาแล้วถ้าภาวนานะรู้ถูกเข้าใจถูกมากขึ้นจยรู้ว่าไก่นี้เป็นทุกข์ถ้ารู้อย่างนี้ได้พานักขาถ้ารู้ว่าจิตเป็นทุกข์แล้วก็จบตรงนั้นเลยจบลงที่จิตนั่นเองไปกินข้าวไปแล้วฝึกปฏิบัติไปด้วยรู้สึกกายรู้สึกใจไปห้ามตะกละกินข้าว ก็รู้สึกใจรู้สึกใจนะตะกร้าก็รู้นะไี้หมดเลยครับเชิญกรรมการที่ไม่เป็นโรคติดต่อวันนี้วันนี้คุณแม่ไม่สอนนะ คุณแม่ลูกผัวพวกเรามากเลยเป็นงูสบัด ต, ตอนนี้ <laughs>